บางครั้งก็เห็นว่าดินนี่เราไม่ได้ดิ้นเองเขาดิ้นของเขาเองก็มีเขาดิ้นของเขาเองใช่ดีละเราก็เฉยๆเขาก็ดิ้นของเขาก็มีเราดูเฉยๆแต่ตัวเฉยต้องระวังนิดนึงอยาให้ใจมันเฉยนะอยากให้ใจมันเฉยแบบไม่ไม่เฉยมากใช่ไหมครับถ้าใจเป็นกลางนี่อย่างหนึ่งนะกลางพระสติเพราะปัญญาใจเฉยเมยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรอย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้หลกงปู่มั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย ให้ดูรับถ้าเฉยอันนึงนะเฉยเบิกบานนะเฉยหนึ่งเฉยซึมกระทือหรือเฉยแห้งแรงเฉยแข็งแข็งเฉยแข็งแข็งอย่างคุณมนเนยเฉยเฉยแข็งแข็งอยู่ข้างในอย่างโยมเมื่อกี้นี้ไปไหนละยังไม่เข้ามาเฉยแข็งแข็งเอาอ้อย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 เพื่อนไหวมีโมหันนิดหนึง่งทรงมาข้างหน้าน่ข้างหน้าแถวมันเลยขึ้นไปก็ <c oughs> รู้สึกว่าหลงเยอะค่ะแล้วก็เวลารู้สึกตัวนี้มันจะผิวผิวมันไม่ค่อยชัดอย่าอยากชัดนะรู้ไปว่าหลงรู้ว่าผิวผิวรู้อย่างที่มันเป็นจิตมันไม่มีแรงไม่ตั้งมัน ตัวความตั้งมั่นสำคัญนะตัวความสัมมาสมาธิบางคนสงสัยนะบอกว่าทำไมบางทีหลวงพ่อก็พูดแต่เรื่องสติสตินะช่วงหลังๆมาเข้มงวดเรื่องสมาธิพวกเราพอมีสติขึ้นมาแล้วพอไปรู้รูปรู้นามใจมันไม่ตั้งมั่นพอรู้ไปนานๆมันไม่มีกำลังจะต้องเพิ่มสมาธินิดหนึง่งสมาธิก็สำคัญนะแต่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 นี่แทปลาอะไรก็ได้เอามาปล่อยเอาปลามาปล่อยนะน้ามันก็ใช้ไม่ได้แล้วน้ำาจะขาวไอ้ท่านไม่ได้อยากได้น้ำ น, น, น, นี่นั่นั้นเสร็จแล้วท่านก็สั่งพวกโยมไม่มีความสุขให้ไปเลี้ยงปลาเนี่ยให้ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบมีความสบายขึ้นมาคอยรู้ความสุขความสบายเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสมาธินะ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 ยิ่งเค้นว่าต้องสงบต้องสงบเนี่ยใจจะไม่มีความสุขแล้วไม่ยอมสงบพุโทโธเล่นๆแล้วสงบพุโทโธพุธโทโธไปไม่ใช่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไปเลยนะโมโหนะมันไม่สงบสตินะอย่างนี้นใช้ไม่ได้จริงๆง่ายนะกรรมฐานไม่เห็นมีอะไรเลยจริงง่ายสุดๆเลยรอบๆตัวเราทํากรรมฐานได้หมดเลยยิ่งสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์สมถะ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 อย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาห์ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้กรรมฐานใดที่ไม่ได้ไปถอดถอนความเห็นผิดเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนเราเขายังไม่ใช่วิปัสนาจริงหรอกได้แค่สมถ ะ, ะงั้นรู้กายรู้ใจก็ไม่จําเป็ น, นะจะต้องเป็นวิปัสนาเสมอไปอย่างบางคนรู้ท้องพองยุบเนี่ยเกือบร้อยละร้อยนะทําสมถะไม่ใช่วิปัสนาหรอกไปเพ่งท้องเพ่งให้ใจจอนิ่งๆอยู่กับท้อง ไ, ได้สมถะ ไปเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าแล้วเพ่งที่ท้าไว้นะ ไ, ได้สมถะเดินไปเดินไปตัวลอยนะตัวเบาตัวโครงวุบวุบวาบๆบนะผลลุกขนชั น, นเหมือนฟ้าแลบแปบแลบลๆ ๆ, ๆนะนี่อาการของปีติอาการของสมถะทั้งหมดเลยงั้นไม่ใช่ว่ารู้รูป ร, รู้นามจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะมันอยู่ที่คุณภาพของการรู้ด้วยต้องรู้จริงถึงจะเป็นวิปัสสนานะรู้จริงว่าไงรู้จริงว่ารูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนี่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 นิดๆหน่อยๆเราอยากบรรลุเร็วๆนี่เอาเปรียบไปหน่อยนะเอาเปรียบสังคมนะที่สะสมความเห็นผิดสะสมข้ามภพข้ามชาติภาวนาเจยาะเยะแยะแยะเมื่อไหร่จะตัดสตินะี่ยเอาเปรียบไปหน่อยนะยงั้นถ้าสติเราเกิดบ่อยๆมีโอกาสบรรลุมรรคผลอนะถ้านานๆเกิดทีหนึ่งหรือชาตินี้ยังไม่เคยเกิดเลยนะยังอีกไกลนะยังอีกไกลต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฟังธรรมะ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 สองขนาดสามขนาดถ้ากําลังพอมันเห็นสองสามขนาแล้วมัจอเริ่มเกิดอริยมรรคขึ้นมากําลังไม่พอนะพอเห็นสภาวะธรรมแล้วจิตไม่มีขันติจิตไม่มีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุพอเห็นอารมณ์นี้แล้วก็ยินดีเห็นอารมณ์นี้แล้วยินร้ายพอยินดียินร้ายขึ้นมาจิตหมุนติ้วติ้วติ้ ว, วทำงานอีกนะรูดออกมาเลยไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรหรอกนะแต่ถ้าจิตเห็นสภาวะธรรมภายในนะตอนนั้นจิตรวมเข้าสมาธิแล้วเห็นสภาวะข้างใน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 คล้ายๆเอาน้ําดีนะไปไล่น้ําเนา่าใครหยดน้ําดีลงไปมีน้ําสกปรกอยู่ตุ่มหนึ่งหยดน้ําดีลงไปคือหยอดสติลงไปซ้าแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ําอีกนะ้ํามันเข้าไปแทนที่น้ําเนา่าจนได้แหละวันหนึ่งแต่ขั้นสุดท้ายขั้นที่จะแตกหักนะจะทุบตุ่มทิ้งนะ <c oughs> ขั้นสุดท้ายทุบตุ่มน้ําทิ้งเพราะน้ําดีเก็บไว้นานๆก็เน่าอีกแหละสังเกตใจสังเกตไปเรื่อยๆ สังเกตไหมใจเราทํางานตลอดเวลาดูไปข้าวก่อนรุนตังตรินสรันมาหาหลวงพ่อนะเห็นหลวงพ่อสอนโยมแบบตลุมบอลอย่างเงี้ยพอรับหลังโยมนะมาบอกหลวงพ่อบอกว่าหลวงพี่สอนแล้วทุ่มเทใช้าธาตุขันมากเกินไปต้องนิ ม, มนต์ให้สงวนาธาตุขันถาว่าสงวนยังไงอย่าเทศเลย แค้เรากินแรงเขียนหนังสือให้อ่านเนาะผมกําลังทําอะไรทางหนังสือทางคอมพิวเตอร์บอกให้ไปเขียนลงที่โน้ตแทนแล้วไม่ต้องสอนโยมสบายกว่ากันเยอะเลยสอนแล้วเหนื่อยแต่ถ้าโยมตั้งอกตั้งใจภาวนานะมันก็ยังพอสู้นะบางวันนี่เจอเหนื่อยจริงๆเลยประเภทกลางเคี่ยวกลางเล็บมาเรียนเนะี่ยบางทีพระด้วยนะ พระก็มีเมื่อสองละมันก่อนก็มีพระมาถึงท่านเพิ่งบวชสามพันสายอย่างนี้ท่านถึงท่านก็บอกเลยผมไม่ได้นับถือท่านเลยไม่ได้เชื่ออะไรท่านเลยผมจะมาลองดีท่านนะะฟังแล้วเอ อ, อเอาไงก็เอาไปเหอะนะ <c oughs> ค่อยค่อยสังเกตเอานะค่อยสังเกตเอาสังเกตอยู่ที่กายสังเกตอยู่ที่ใจอย่าลืมตัวเอง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 ทั้งกายทั้งใจไม่เที่ยงนะทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหลายคนภาวนาฟนะังหลวงพ่อจนสติเกิดขึ้นมารู้กายรู้ใจเป็นบ่อยๆวันหนึ่งจิตใจตกตกใจขึ้นมานะเคยมารายงานมีบ่อยๆนะว่าตัวเราหายไปตกใจนะบางคนเกิดความเบือ่อตัวเราไม่มีแล้วไม่รู้จะหาความสุขไม่รู้จะทําอะไรต่อไปยังไงแล้ว ก็ตัวเราไม่มีที่จะไปเสเวยความสุขไม่รู้จะทำอะไรเพื่ออะไรอีกต่อไปแล้วรู้สึกเบื่อสุดขีดเลยบางคนรู้สึกเวิงวางรู้สึกน่ากลัวภาวนาไปเห็นกายเห็นใจไปเอ๊ะกายก็ไม่ใช่เราแท้ใจก็ไม่ใช่เรารู้สึกกลัวขึ้นมารู้สึกเวิงวางรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะเนี่ยอาการเหล่านี้เป็นอาการที่จิตมันเดินปัญญามาช่วงหนึ่งแล้วนะ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 เกิดวันไห้ทนไม่ได้รู้สึกเบื่อนายรู้สึกกลัวรู้สึกเวิงวางหาที่พึ่งไม่ได้เลยห qui, เห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษล้วนๆไปหมดเลยในสังสารวัตเนะเยนไปหมดเลยว่ตัวเราหายไปตกใจนะถ้าภาวนามาถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องตกใจให้รู้ทันลงไปอีกความเบื่อความรู้สึกเวิงว่างความกลัวก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีก ใ, ใจค่อยรู้ทันลงไปในะใจค่อยตั้งมั่น ความเบื่อไปอยู่ส่วนความเบื่อนะจิตอยู่ส่วนจิตนี่ยความกลัวอยู่ส่วนความกลัวจิตอยู่ส่วนจิตแยกกันอย่างนี้ใจค่อยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มารู้กายรู้ใจอีกเห็นเลยไม่มีเราไม่มีเรานะเห็นลงไปใจจะค่อยๆเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นไม่ดิ้นใจจะไม่ดิ้นในที่สุดใจจะเกิดตัญญาเลยเห็นเลยทุกอย่างนี้ชั่วคราวหมดเลยตัวเราก็ไม่มีทุกอย่างเป็นของชั่วคราว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 รู้ความจริงของสังขารแล้วเป็นกลางเารู้ว่าสังขารทั้งหมดนะเป็นของชั่วคราวเป็นกลางไม่ดิน้นละต่อไปนี้ความสุขมาก็ไม่ดิ้นที่จะหามันไม่ดิ้นที่จะรักษามันความทุกข์มาก็ไม่ได้ดิ้นดิ้นต่อต้านมาันหรือดิ้นหาทางแก้ไขมันใจไม่ดิน้นใจไม่ทำงานเมื่อใจเราไม่ดิน้นรนไม่ทำงานต่อไปนะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นรู้เฉพาะหน้าไปโดยที่ไม่ดิ้นเลยนะในที่สุดใจจะวางการรู้รูป ร, รู้นามนะ แล้วเข้าไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งคือนิพพานนใจจะเข้าไปเห็นนิพพานเกิดอริยมรรคขึ้นมาเห็นนิพพานครั้งแรกตอนได้โสดาปฏิมรนะเห็นนิพพานงั้นถ้ายัางเป็นปุถุชนยังไม่เคยเห็นนิพพานาไม่เคยเห็นนิพพานไปคิดเรื่องนิพพานไม่ได้เราจะประวาดภาพเพี้ยนเพี้ยนตลอดเลยเราคิดว่านิพพานว่างเปล่านิพพานว่างเปล่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐนะิมิจฉาทิฏฐิ เงนิพพานมีอยู่มีรูปมีนามนี่ก็มิฉาทิฏฐินะยังมิฉาทิฏฐินั้นให้รู้จ น, จนกระทั่งใจเลิกดิ้นใจมีสันติสุขเกิดขึ้นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นรับนี่หลวงปู่ดูลช้คํานี้ตัวสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นรับนั่นแหละคือนิพานนนพานเมื่นิพพานมีอภิธรรมจะสอนเรนิพพานมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบ สงบจากกิเลสสงบจากขันสงบจากความปรุงแต่งสงบจากทุกข์ไม่มีทุกข์ใจที่ดิน้นดิ้นดินะดินนะด้นไม่เลิกก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีความอยากอยากสุขอยากจะดีอยากพ้นทุกข์อยากไม่ให้ชั่วใจก็ดิน้นมีความอยากมีการดิ้นรนปรุงแต่งก็มีโลกมีทุกข์ขึ้นมา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 ท่านถึงยืนยันว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียวเลยที่จะทําให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานนี่เป็นเรื่องของการรู้กายรู้ใจล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นเลยนั่นอยันนึกเอานะว่านิพพานเป็นความว่างนั้นทําใจให้ว่างแล้วเห็นนิพพานพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นต้องระมัดระวังนะคําสอนชนิดนี้เยอะนะะในเมืองจีนเมื่อพันกว่าปีก็คําสอนอย่างนี้ก็เริ่มระบาดจนเกิดคำภีรขึ้นมา ชื่อมหายาณไวยปุญญาทาลณีสูตรนจําไว้ไม่ต้อง <c oughs> มหายานก็มหายานวัยปุญญเป็นภาษาสันสกฤตคือคําว่าภัยบุญนั่นเองธาลณีธาลณีสูตรสอนไว้เลยนะว่าอะไรๆก็สุญญตาสุญญตาแล้วก็เพี้ยนอย่าลืมศีลสมาธิปัญญาอย่าลืม ศ, ศีลสิคขาจิตสิคขาปัญญาศิคขา จะลืมการสร้างบารามีทั้งหลายไม่ใช่ว่ามีปัญญาปิ๊งแล้วก็หลุดไปเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีบารามีเลยไม่ปิ๊งหรอกมีแต่หลอกหลอกเอาเบอร์เจ็ดสิบสองใจหนีไปละวเอาที่นั่งข้างเบอร์หนึ่งน่ะผู้ชายเนี้ยใจลอยไปล้วเอาเบอร์สิบเบอร์สิบทาอะไรอยู่ รู้เบอร์ของตัวเองเลยนะที่หลงพ่อเรียกเบอร์อยังไม่รู้เรืเบอร์อะไรนะมีหนำซ้ําบางคนนะ่ะเอาเบอร์ไปยัดไว้ใต้เสือนะถึงจนะแหวนน่ะอยู่หลังๆก็บางกันเองนะไม่เห็นต้องทําที่ใหม่นะทําแบบเป็นอัธจันท ร, ร์ขึ้นไปเป็นชั้นๆ <laughs> แบบห้องเลคเชอร์เนีย่ยเห็นแบนๆอย่างนี้ไม่เห็นบังกันไปบังกันมาเนี่ยใจลอยแวบไปแล้ว หัดรู้สภาวะนะต่อไปนี้เรามาหัดรู้สภาวะจิตใจเราแอบไปคิดเราคอยรู้จิตใจเรามีความสุขก็รู้จิตใจเราเฉยเฉยก็รู้จิตใจเราเคร่งเครียดก็รู้เกลงขึ้นมาก็รู้กลัวก็รู้นะให้ครยรู้ความรู้สึกลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนี่คือการหัดรู้สภาวะถ้าหัดรู้สภาวะมากๆแล้วต่อไปจิตจะจําสภาวะได้แม่น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 ใจเริ่มแปรสภาพคล้ายส้วมคือนะคือซึมซึมต่อไปก็จะเน่าเน่าเหม็นเหม็นนะค่อยๆรู้สึกนะเห็นไหมพอหลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมใจก็ตื่นขึ้นมาใจ alert ขึ้นมาแล้วคอยรู้สึกนะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปมีผู้หญิงคนหนึ่งนะกาภาวนาก็าเก่งนะคุณอมาราเขาฉายสไลด์ให้ดูดูรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงนี่หัดดูความรู้สึกไปเรื่อยๆ เห็นรูปนี้เรารู้สึกยังไงเนี่ยให้ดูมีอุปกรณ์ช่วยเหมือนกันอีกหน่อยวิชาดูจิตคงสอนกันง่ายกวนะ่านี้นะคุณตรงหนีไปคิดทราบไหมคุณตรงจานตูรู้สึกไว้สะดุ้งเลยรู้สึกไหมใจมันไหววับขึ้นมาใจมันสะดุง้งรู้ว่าสะดุง้งเบอร์สามสิบแปดเบอร์สามสิบแปดใจลอยละรู้สึกไหมใจลอยคือใจมันหนีไป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 ขาโยมอย่างกดนะไปกดกดไว้หน่อยๆเบอร์หกใจลอยแล้วรู้สึกไหมเบอร์หกนี่เบอร์อะไรล่ะเนี่ยแสงมันสะท้อนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดทำอะไรอยู่เบอร์เจ็ตอบให้ชื่นใจซิเผลออยู่นะเผลออยู่นิมนต์ครับท่านอาจารย์เขาก็การพูดกับโยมกันนะครับรู้สึกไหมใจวอกแวกอยากดูนะ หลายคนอยากดูอยากดูรู้ว่าอยากดูค่อยๆสังเกตสภาวะไปนะเบอร์สิบเอ็ดใจลอยไปแล้วเบอร์สิบเอ็ดยังไม่รู้อีกว่าเบอร์สิบเอ็ดรู้หรอทำไมทำใจซื้อบือ้อนะอย่งไปดึง verse 4, verse 4, นะยังไปดึงเบอร์4ีเบอร์สี่หนีไปแล้วอา้าวดาวใจลอยนะเห็นหั้ยใจชอบลอย คนโบราณเก่งนะเรียกว่าใจลอยรู้สึกไหมมันลอยจริงๆน ะ, ะมันลอยจริงๆคนไทยแต่ก่อนนะั้นบรรยัติสัพท์ที่เกี่ยวกับจิตใจนี่เก่งมากเลยหลวงพ่อเคยรวมไม่ได้สองร้อยกว่าตัวนะละเอียดยิบเลยความรู้สึกทางนามธรรมานี่แสดงว่าบารรพบุรุษเราเนี่ยดูจิตเก่งนงเก่งมากนะอิจฉาเห็นไหยพยาบาท จองเวรเห็นไหมมีดีกรีนะมีดีกรีของมันเยอะแยะเลยนะโกรธก็มีหลายดีกรีนะขัดใจเคืองคุณคุณคุณมีหลายดีกรีจนกระทั่งเดือดน ม, มีหลายดีกรีในกิเลสโลภโรดลงท่านะั้นบัน พ, รพุรพบุตรเรากระจายออกไปได้ร่วม200ตัวหลวงพ่ออยู่ส่วนโฟนะตอนนั้นงานน้อยกว่านี้เอาพระเจ้านุกรมมาติ๊จด จะเสร็แล้วใครก็ไม่รู้นะมือร้ายไม่ใช่มือดีมาขอยืมไปดูแล้วเอาไปเลย <c oughs> นั่นคุณผู้ชายที่ใส่แว่นตาใจลอยใจลอยทั้งสองแว่นเลยนะที่นั่งต่อกันสามแว่นด้วยก็ใจลอยอคนนะไม่มีเบอร์เ <c oughs> นะี่ยไม่เห็นเบอร์ <c oughs> พ่อไม่เห็นละต่อไปต้องชูป้ายนะชู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 เชิญเหลักของการปฏิบัติหลวงพ่อพูดไปเยอะแล้วนะหนังสือก็มีซีดีก็เยอะนะฟังดูฟังไปใ จ, ใจจะตื่นขึ้นมาใจตื่นแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงพอเห็นความจริงแล้วทั้งกายทั้งใจจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็ของชั่วคราวนี่เห็นความจริงของเขามันชั่วคราวหมดใจมันจะไม่ดิ้นรนแล้วต่อไปนี้ใจจะสงบสันตินะ ถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบสันติถึงจุดที่เพียงพอเนี่ยจิตจะวางอารมณ์รูปนามเข้าไปเห็นนิพพานมีความสุขมากนะความสุขที่สุดเลยงัย้นการภาวนาบางคนบอกศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายมองโลกตามความเป็นจริงต่างหากล่ะเพรากายนี้ใจนี้มันสุขซะที่ไหนอะ่อเรามารู้กายรู้ใจเราเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนี่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 บอกว่าการเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นกลางระหว่างดีกับชั่วนะศา ส, สนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นค่อยรู้นะรู้นะใจหนีไปหมดแล้วอา้าวยมคนไหนมีอะไรจะคุยเชิญอ้าวเชิญเชิเอเอเวลาทํากันบ้านครับหลวงอ่าคือมันจะมีความกลัวครับกลัวว่าจะทําผิดกลัวจะโง่กลัวจะ ก็เกิดความราแวงขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวผิดเพราะผิดอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวโง่เพราะโง่อยู่แล้วครับแต่ว่าเราตามรู้ตามดูอีกหน่อยไม่ผิดไม่โง่นะอย่ากลั ว, ลวดูเข้าไปแล้วมันจะมีอาการประคองบังคับเออ น, นั่นแหละดีที่รู้ทันเนี่ยไม่เริ่มฉลาดแล้วเริ่มว่ากลัวไม่ดีกลัวโง่ก็เลยประคองการประคองก็เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีคุญญาพิสังขาร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 ประคองเองก็ทุกเองแหละช่วยไม่ได้นะปรุงดีก็ทุกใช่ไหมแต่ว่าทุกแบบคนดีปรุงชั่วก็ทุกนะทุกแบบคนชัว่วนะทั้งหมดเลยจะปรุงดีปรุงชัว่วเกิดจากรากกันเดียวกันนะคือเกิดจากอาวิชชาเกิดจากความไม่รู้ทุกข์นี่แหละไม่รู้ความจริงของขันของกายของใจเราคิดว่ากายกระใจคือตัวเราไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราหรอกนะเป็นธาตุเป็นขันเป็นสมบัติของโลก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 คนชั่วๆก็คิดว่าถ้าได้ตอบสนองกิเลสแล้วจะมีความสุขพ้นความทุกข์พอมันสนองกิเลสนะได้มาสมกิ จ, จีบสาวสักคนนะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกนะมันจะรู้สึกทุกข์กว่าเก่าอีกสวยจ ก, กนะูแฟนคนโน้นสวยกว่าเราอีกนะสวยกว่าแฟนเราอีกนะี่ยมันจะหิวขึ้นมปอีกดิ้นอีกนะมันจะดิ้นหาความสุขไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะหาไม่ได้หรอกนี่คนไม่ฉลาด อีกพวกหนึ่งพวกฉลาดมากขึ้นหลวงพ่อใช้ควาว่าฉลาดมากขึ้นนะคือเทียบกับโง่อ่ะหรือว่าฉลาดมากขึ้นกับจริงโง่น้อยหน่อยนั่นแหละนะพวกนี้จะประคองรักษาใจคือชาวนักปฏิบัติชาวเข้าวัดทั้งหลายนี่แหละคือพวกนี้แหละพวกรักษาความดีไว้พวกรักดีรักดีหามจัวจัวก็หนักนะไม่ใช่จวัวเบาเบาพอรักดีขึ้นมาก็ประคองควบคุมกายควบคุมใจ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 พวกนี้ก็จะปรุงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอนเนินชาพิสังขารไปน้อมใจไปหาความว่างๆไม่รับรู้อะไรหรือดับความรับรู้ดับจิตลงไปเลยเรียกว่าปลมลุกฟักน้อมใจเข้าหาความว่างนี่พวกอรูปปรรมพวกนี้ไม่ไม่กระเทือนกับโลกแล้วเพราะว่าไม่สัมผัสกับโลกนี่เป็นความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เรียนรู้ความปรุงแต่งพวกนี้มาแล้วท่านเห็นว่าไม่พ้นหรอก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 ฝ่อาเนนชาไม่เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นให้รู้นะรู้ทันไปเรื่อย่ว่างไงอ่ถ้าอย่างนั้นคําแนะนํ า, นาของหลวงอาคือว่าสมมติเรารู้ว่าเรากําลังประคองเรากําลังบังคับก็ให้รู้ว่า อ, อตอนนี้เราประคองเรารู้ว่าจิตมันไปประคองจิตมันไปบังคับไม่ใช่เราประคองเราบังคับเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เห็นว่าเราทํางานนะตัวนี้ตัวสําคัญนะ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 เรามีงานต้องทำในการขับร่อนเรื่องันเลยดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยสาบใจถ้ารู้นะ จ, จะไม่อึดอัดถ้าจงใจรู้ก็จะอึดอัดครับถ้ารู้แล้วแทรกแซงก็จะอึดอัดถ้ารู้เฉยเฉยไม่อึดอัดแสดงว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอึดอัดหรือว่าไม่เราตั้งใ จ, ใจดูมากนะไปหรือไม่พอดูแล้วก็ไม่ชอบมันโทสะแทรกแล้เราไม่เห็นหรือว่ามันมันแฝบบแฝบบอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นพยายามเข้าไปแทรกแซงเนี่ย ความทุกขก็จะเกิดขึ้นใจไม่ตั้งมัน่นดูออกไหมวันนี้ช่วงช่วงนี้ฟูงมากเลยมันเอ อ, อ ด, ดูลงไปหน้าใจไม่ตั้งมัน่นใจต้องตั้งมั่นนะสมาธิสําคัญนะถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นปัญญาไม่เกิดนะไม่ใช่ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วทิ้งสมาธินะหลวงพ่อเคยเสียเวลาก่อนเรียนจากหลวงปูด่ดูนหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยดูจนชนานานญะสมาธิจะทำมาตั้งแต่เด็กแล้ว แรงส่งมันเยอะพอมาหัดดูจิตนะทิ้งมันไปเลยดูไปไดนะ้ผ่านไปสบายๆนี่พอผ่านไปหลายปีดูไปด้วยก็ เ, ยเห็นเกิดดับทุกวันนะไม่เห็นมันตัดเติบมากขึ้นเลยนะมันอยู่แค่เก่าอะ่ะใจใจะใจมันไม่พัฒนาขึ้นวันหนึ่งไปบ้านตากลาบอาจารย์มหาบัวสมัยนู้นท่านยังแข็งแรงนะท่านสอนอยู่ชั้นบน ศาลาไม้ของท่านอยู่ข้างบนคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไปถึงพอท่านมานั่งนะเราก็รีบบุกเข้าไปก่อนท่านอาจารย์ผมข อ, ขอโอกาสหันมามองหน้าแวบหนะึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังยุ่งให้นั่งรอตรงเนี้ยนั่งรอเสร็จแล้วพอท่านทําธุระอะไรของท่านเสร็จนะท่านหันว่างไงถามว่างไงเนี่ยใครๆครกลัวท่านนะเวลาเรียนธรรมะไม่กลัวนะไม่รู้เป็นไง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 พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอย่ยิ่งคือสมถะและวิปัสสนานะเพราะฉะั้นต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาแต่เจริญด้วยปัญญาอย่ยิ่งไม่ใช่เจริญแบบปัญญาอ่อนเจริญสมถะแบบปัญญาอ่อนทํำยังไงง่ายมากเลยนะเอาซีดีมาเปิดสักอันเอาเสียงเพลาะเพะนะเสียงครูบาอาจารย์ที่นุ่มๆหน่อยเปิดแล้วเราก็นั่งไปนะเดี๋ยวนั่งนะงดงดงดงดนะ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 ต้องมีสติสบายๆถึงจะสงบเคล็ดลับของสมถะคือสบายนะต้องสบายในพวกเราลองหลับตาที่ลองหลับตานะหายใจเข้าไปแล้วถอนใจแรงๆทีหนึง่งรู้สึกไหมตอนที่เราถอนใจเนี่ยใจเราสบายมันผ่อนคลายนะเรารับรู้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไหมใจสงบอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่สงบ พวที่คิดมากก็เริ่มวล็อกแวกตามนิสัยเดิมนะอ่ะพอแล้วพอแล้วอันนี้ทําให้รู้รสไปนิดหนึ่งนะถ้าต้องการความสงบเนง่ายๆอย่างนี้แหละถอนใจเพือกเดียวก็สงบได้แล้วหลวงปู่เทศสอนบบกลั้นใจกลั้นใจทีหนึ่งเนี่ยแล้วจับความรู้สึกว่างๆไวนะ้แค่นี้ก็สงบแล้วนะจริงเราไม่ได้มีอะไรยากเย็ยนอย่าขี้เนนกียจนะก็แล้วกันนะเอาแต่ดูดูดูทิ้งสมถะไปใจไม่ตั้งมั่นไม่มีแรงหรอก ปัญญาไม่เกิดจริงหรอกอย่ฟุ้งซ่านปัญญาที่ขาดสมาธิหนุนหลังนะฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญญาตัวจริงจะข้ามภพข้ามชาติเอาคุณตรงเลยลืมไปเลย <c oughs> เอา้าวมีเวลาให้โยมอีกสี่นาทีใครจะถามอะไรเชิญอ้าวหมออติเชิญคือจะถามว่าช่วงช่วงเนี้ยฮะมันมันความรู้สึกตัวเหมือนกันบแบบบางทีมันไปอยู่ข้างนอก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 เราก็ดูจิตของเราดูอย่างเป็นกลางนะมันก็ผ่านเข้าใจธรรมะเป็นขั้นๆไปต่อมาดูไปนานๆเนี่ยมันถล่มลงไปดูเนี่ยเพราะเราทิ้งสมถะไปเลยะเราถล่มลงไปดูแล้วไปแช่อยู่ข้างในลึกเลยนะแต่อมาไปเจอหลวงปู่สิมเขาหลวงปู่สิมพอเห็นทนะา เ, เรียกเรียกข้ามาขานะถ้าไม่รู้จักชื่อท่านก็เรียกชื่อเอาเองผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ น, นี่ กิเลสอยู่นอกๆ น, นี่ไอ้ฝังแล้วงงนะ เ, เคยได้ยินแต่ว่าอย่าส่งจีดองนอกนะไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ น, กนี่ให้ออกมาอยู่นอกๆฟังแล้วงงไปหาหลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าต้องเป็นกลางนะไม่ส่งนอกไม่ส่งในนะท่านนุ่มนวลท่านพูดอธิบายไม่ส่งนอกไม่ส่งในโอสบายแล้วต่อไปนี้เราจะประคองไว้ตรงกลางนะเห็นไหมปรุงแต่งอีกแล้ว อดปรุงไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้กูก็เลี่ยงไปปรุงอย่างนี้นท่านดักทางนี้กูก็มาอยู่ตรงนี้อีกปรุงอีกมันอดปรุงไม่ได้นจนกระทั่งครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ปรุงแต่งเราก็ปรุงการไม่ปรุงอีกเราก็จะปรุงการไม่ปรุงอีก น, นั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่เราไปทําอะไรให้รู้ทันใจเราทําอะไรนะรู้ทันมัอนเรื่ใจเราส่งเข้าไปข้างในรู้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 แต่ถามวันนี้ก็ดีนะสาราดุงชินคนเยอะป่าไงเบอร์ี่สอยากทราบว่าตอนนี้ยังประคองอยู่เปล่าประคองนิดหน่อยยังประคองอยู่ครับรู้สึกไหมใจเรานิ่งๆมันมันมันเคลื่อนไหวข้างนอกมันเคลื่อนไหวอ่ะแต่ข้างในมันมีตรึงไว้นิดนึครับมันซึมอยู่นิดหนึ่งอ่ะรู้สึกไหมครับใจยังซึมซึมมัวมัวอยู่นิดหนึ่งครับแล้วบางครั้งรู้สึกว่าอาการแน่นมันมีแน่น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 ให้รู้ไว้นะให้รู้นะรู้ครับรู้รแล้วก็ครยสังเกตไปเราไปทําต้นเหตุของมันเนี่เราไปประคองอฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณปีกว่านะเจ้าค่ะก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนตามซีดีนะเจ้าค่ะก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างนะเจ้าค่ะเมื่อปีที่แล้ว เ, เ, เรียนให้หลวงพ่อทราบว่ า, าหลวงพ่อบอกว่ายังประคองอยู่นะเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้นี่เรายมรู้สึกว่ายัางประคองไหมหรือเลิกแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเกร็งนิดหน่อยแ้่ค่ะเออนั่นแหละตอบถูกแล้วที่ภาวนาอยู่ถูกต้องแล้วแต่เห็นไหมตรงที่เราวางครับเนี่ยมันมีความเบิกบานผุดขึ้นมาเลยเวลาจิตมันรู้สึกตัวมีสติขึ้นอย่างแท้จริงจิตเป็นกุศล น, นะจิตเป็นกุศลมันจะมีโสมนัสโสมนั ส, ส, นสเวทนามีความเบิกบานผุดขึ้นมาเอางรู้สึกไหมใจมันเบาใจมันสบาย